เป็นเกียรติสักครั้งครับพี่กบไกรพบจันดีครับสวัสดีครับแล้วก็เพลงต่อไปนี้สองพี่น้องตระกูลจันดีพี่ชายพี่กบครับพี่อ่างครับคุณไตรพัน์จันดีครับจะมาเล่นกีตาร์คู่นะครับนําเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่ผมยืมมาจากนักร้องที่ผมชอบมากคนหนึ่งครับลองฟังกันดูครับ ฉันให้ใจสลายให้มันตายลงไปอย่างช้าชาอย่าคิดว่าคำพูดจาคำสัญญาจะทำให้ฉันฟืนไม่เคยหวังให้เธอหันมาปอกลาใไม่ต้องหันหน้ามาให้ฉันกลั้กลืน รักเราตายลงไปอย่าฟืนให้มันยืนนาวตายไม่ขอให้มีเหยื่อใหญ่วันสุดท้ายเป็นใครก็ต้องช้ำแค่พูดจะไม่กี่คำก็เพียงพอให้จำอยู่เสมอ เมื่อเธอพบคนดีที่เธอคูควรอย่าเรรวนเพราะคนที่ยังพรำเพร่อเพียงแค่ฉันไม่เคยรักใครอย่างเธอแค่รักเธอจริงข้างเดียวอย่ามัวเสียเวลาฉันไร้มัน เสียใจข้างเดียวถึงฉันตายเธอก็ไม่เกียวอย่าแลเลียวให้ลังกลับมาปล่อยให้ฉันหัวใจสลายอย่างผู้ชายที่รักเธอข้างเดียวถึงยังไงเธอก็ไม่ต้องเพียวรัก เดียวมันท้ำอยู่แล้วลอยฉันในใจสลายให้มันตายลงไปอย่าง ช, ชา้าๆอย่าคิดว่าคำพู่จะคำสัญญาจะทำให้ฉันฝืน ไม่ต้องหันมามองหน้ากันอีกทีต่อตอนนี้ไม่มีผู้ชา ย, ยาฉันไม่มีแล้วคนเคยผูกพันฉันรักเธอจริงค่าดี อย่ามัาเสียเวลากับฉันปล่อยให้มันเสใจข้างเดียวถึงฉันตายก็ไม่เกียวอย่าแลเลียวหันหลังกลับมาปล่อยฉันหัวใจสลายอย่างผู้ชายที่รักเธอ เธอก็ไม่ต้องเดียวรักาเดียวช้ำอ่แล้วถึงยังไงเธอก็ไม่ต้องเดียว รักข้างเดียวช้าอยู่แล้วเป็นงานของมนุษย์จบนี่เองไม่ใช่ใคร